ผู้ที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติก็ได้บรรลุมรคที่ิ่านกันได้ดับความทุกข์ใจจนหมดสิ้นไปจากใจได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ยุติการเกิดแก่เจ็บตายถ้าพวกเราศึกษาพวกเราก็จะรู้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 นี่คือเป้าหมายของทานก็คือให้เราตัดการใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งต่างๆตามความอยากให้ซื้อเท่าที่จำเป็นจะต้องซื้อเพื่อดูแลรักษาร่างกายแล้วก็กำจัดความตเนรเพราะว่าถ้ามีความตเนรเวลาที่เราจะต้องจากเงินทองนี้ไปจะจากด้วยความทุกข์ทรมานใจ เสียอกเสียใจแต่ถ้าเราได้ทําทางอยู่เรื่อยๆแบ่งปันอยู่เรื่อยๆเวลาเราตายนี้เราจะไม่ค่อยมีความทุกข์ทรมานใจเพราะเงินทองส่วนหนึ่งก็เคยก็ไม่มีไม่มีไม่มากเรามีเก็บไว้เพื่อสํารองไว้เล็กๆน้อยๆพอที่จะดูแลร่างกายเราก็พอแล้วเราก็ไม่มีความตเหน่ไม่มีความหวงะ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 ก็คือการรักษาศีลห้าแล้วเมื่อเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็จะสามารถก้าวขึ้นสู่ศีลที่สูงขึ้นไปกว่าศีลห้าได้ก็คือศีลศีล8การที่เราจะต้องรักษาศีลแปดก็เพื่อที่เราจะได้ก้าวขึ้นสู่ทำขั้นที่สามได้ก็คือการภาวนาการปฏิบัติธรรม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 สื่มรรคผลนิพพานอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหลานตาสาวคทั้งหลายไปกันเราก็ต้องเลิกเดินทางเก่าทางที่เราเคยเดินมาทางของความโลภความอยากในลาบยศจลาเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายต้องลดละลงไปให้น้อยลงไป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 เอาเงินมาทำทานเอาเวลามารักษาศีลมาภาวนากันถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็ลองรักษาศีลแปดดูขั้นละหนึ่งอาทิตย์ก่อนก็ได้เช่นในวันพระนี้เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธที่จะหยุดการหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเป้นกาย แล้วให้เข้าสู่วัดที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลาจากแสงสีเสียงเพื่อที่จะได้เข้าหาความสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวน า, วภ า, ภ า, วนาที่เกิดจากการรักษาศีลแปดนี่คือขั้นที่สองคือการรักษาศีลขั้นที่สูงกว่าศีลห้า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 สี่งข้อที่เจก็คือให้หยุดกิจกรรมทางด้านบันเทิงมลหศบมหรสบาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันหยุดกันหนึ่งวันไม่ต้องดูไม่ต้องฟังไม่ต้องดื่มไม่ต้องรับประทานอะไรที่จะทําให้เกิดความสุขประเดี๋ยวประดาเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาสร้างความสุขทางใจสร้างความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมขั้นที่สาม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 เพราะเวลานอนบนฟูกหนาๆ น, านี่มันจะทําให้นอนมากเกินไปเวลาร่างกายได้พักผ่อนแล้วพอตื่นขึ้นมาถ้านอนบนฟูกหนาๆมันจะรู้สึกสบายก็จะไม่อยากจะลุกก็จะนอนต่อไปอีกหลายชั่วโมงด้วยกันแต่ถ้านอนบนพื้นไม้พื้นแข็งเวลาน่่งกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบาย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 ปล่อยงานในปล่อยงานเกี่ยวกับการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมาทำงานเพื่อให้เกิดมรรคผลนิพพานก็คือมาทาทานให้เต็มที่เมื่อทำทางให้เต็มที่หมดแล้วไม่มีอะไรย่องทานเราก็มารักษาศีลให้เต็มที่มาภาวนาให้เต็มที่ทำมันทุกวันทุกเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ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 ถ้าถือว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขให้มันไปดีกว่าไปแล้วเราสบายอยู่กับมันแล้วทุกข์ไปเปล่าๆนี่แหละคือเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่ไม่ยากเย็นเกินไปแม้แต่เด็กก็ยังปฏิบัติกันได้มีสมัยพระพุทธกาลนี้มีบุคคลทุกเพศทุกวัยที่ปฏิบัติได้และบรรลุมรรคผลนิพพานได้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 เอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหางคิดเปเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามนิโชติระโสยธัสพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวตวันตาราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีิตสะนิจังุทธาปจายโนจตารโธรรมาวทานติอายุวโนโอสุขังภาละข้ต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมะ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 ปัญหาของพวกเราก็เหมือนกันทั้งนั้นเรื่องของความโลภความโกรธความหลงไม่ต้องอายกันทุกคนมีเท่ากัน ถ, ถ้าไม่มีก็ไม่ได้คงจะไม่ต้องมาที่นี่มีคําถามจากมีคำสองคาถามที่คนฝากถามมาคะ่ะคนแรกมีน้องฝากถามมาบอกว่าตอนนี้แม่ป่วยหนกักวันนี้หมอเข้ามาคุยกับแม่แล้วบอกว่า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 แต่ตายแบบสงบตายแบบสบายหรือตายแบบทุกข์ทรมาร<ม>ก็อยู่ที่การจะปล่อยไม่ปล่อยการจะปล่อยได้ก็ต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเรื่งเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายโดยเฉพาะการเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราเนี่เป็นตัวที่สำคัญถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราก็จะไม่เดือดร้อน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 ตอนนี้จะตายแล้วก็ต้องกอดสมาธิเท่านั้นะ่ะถึงจะไม่ทรมานตอดสมาธิกอดปัญญามีสมาธิแล้วถ้าเห็นว่าเป็นไม่เป็นตัวเราของเราก็จะปล่อยได้อย่างง่ายดายถ้ายังไม่มีสมาธิถึงแม้ใครจะมาบอกว่าไม่ใช่ตัวเราของเราก็ไม่เชื่อก็มองไม่เห็นอีกก็ยังคิดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ยงนั้นจำเป็นจะต้องมีสมาธิก่อน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 ทุกครั้งที่แม่เข้ามายุ่งเข้ามาวุ่นวายก็จะมีปัญหาทะเลาะกันและถูกคุณแม่ดุด่าใช้ถ้อยคําที่รุนแรงจนเครียดมีปัญหาโรคระเพาะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สองเอาเดี๋ยวเราเอาอออเดี๋ยวเราไปเน้นกันเดี๋ย ว, <ะ>ยวลืวิธีที่จะให้อยู่กันด้วยสองคนอย่างมีความสุขก็คือต้องรู้จักบระสานส่วนมวลแล้วก็สงวนส่วนต่างเอ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 คิดอย่างนี้เขาจะให้เราเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่เป็นวิธีที่จะปฏิบัติกับเขาก็คือเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวก็คือปล่อยให้เขาพูดให้พอเขาปล่อยให้เขาบ่นให้พอเราก็เฉยลูกเดียวไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องอะไรถึงเวลาเราก็ทําไปตามเรื่องของเราถ้าการกระทําของเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาก็กไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเป็นการกระทําแล้วทําให้เขาเดือดร้อน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 ยิ่งไปอยู่กับวัดที่มีครูบาอาจารย์ที่ดุเก่งว่าเก่งนี่ยิ่งจะเจอหนักกว่าอยู่ที่บ้านเสียอีกนะดังนั้นอย่าให้เราไปกลัวกับคำดุดาา่าว่ากล่าวเพราะว่ามันก็เป็นเพียงเสียงเป็นลมปากเท่านั้นเองปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เสียงที่ดุดาา่าว่ากล่าวปัญหาอยู่ที่ใจเราไม่ต่อต้านการดุดาา่าว่ากล่าวไม่ชอบการดุดาา่าว่ากล่าวชอบแต่ํารสรรเสริญยืนยอ นายพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนอยู่เสมอว่าเราอยู่ในโลกกระทำแ8ต้องมีการเจริญและเสื่อมของโลกกระทำทั้ง8คือมีเจริญลาบก็ต้องเสื่อมลาบมีเจริญยศก็ต้องเสืญญ่อมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาเป็นธรรมดาจะให้มีแต่สรรเสริญอย่างเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราถึงควรจะดีใจที่มีคนมาคอยให้ข้อสอบเราอยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าไม่มีใครเราก็จะเหลิองเราจะคิดว่าเราเก่งถ้าเราเก่งจริงเราต้องให้เขาด่าได้วิธีจะให้เขาด่าได้พเจ้าก็สอนบอกให้ทำตัวเป็นเหมือนภ้าขี่ริว้วทำเป็นเหมือนคนรับใช้เจ้านายจะด่าอะไรจะว่าอะไรก็ปล่อยเขาว่าไปขอให้เขาจ่ายเงินเดือนก็พอา ก, การนมัสการพระอาจารย์ครับมีคาถามสาหรับนักปฏิบัติ บางท่านก็ปฏิบัติง่ายบางท่านก็ปฏิบัติยากบางท่านก็มเีเรียกว่าอะไรเรียกว่าไม่เหมือนกันรู้สึกว่ามีปฏิปทาต่างกันนะครับอย่างที่ผมอยากจะขอผ้าจ า, า์ช่วยแนะนำแนวทางสำหรับผู้ที่ปฏิบัติยากแล้วก็ออ อุปสรรคเยอะนะครับอันนี้จะรบกวนรอาจารย์ช่วยให้แนวทางด้วยนะครับก็ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าอุปสรรคมันมีอะไรบ้างแล้วจะวิธีที่จะกาจัดมันกาจัดมันอย่างไรก็ต้องศึกษาในแต่ละกรณีไปถ้าเราไม่วิเคราะห์ไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไป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 ถ้าเราฉีกหนังออกแล้วใต้ผิวหนังนี้จะมีอะไรก็ <g ül> จะมีกระโหลกศีรษะร่ะางกายเราถ้าแวกออกมาดูข้างในจะเห็นว่ามีอะไรบ้าง <g ül> นี่คือการดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามแล้วเราก็จะกําจัดอุปสรรคคือกามะกามอารมณ์ได้ถ้าเราเกิดโทสะท่านก็สอนให้เราแผ่เมตตาให้รู้จักให้อภัยอย่าถือโทษกอดเคืองกัน เพราะการโกรธเกียดนี้มันเป็นภัยต่อจิตใจเ ป, เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาจะไม่สามารถทำใจให้สงบได้เป้าหมายของเราคือการชนะตนไม่ใช่ชนะผู้อื่นเะฉนั้นผู้อื่นเขามาทำอะไรเรานี้เราไม่ต้องไปทำร้ายเขาเรายอมแพ้ท่านบอกว่าให้แพ้เป็นพระชนะเป็นมารเพราะถ้าแพ้เป็นพระแล้วใจจะสงบ ถ้าชนะเป็นมานใจจะวุ่นเพราะจะต้องเสียอกเสียใจเวลาเราไปทำร้ายผู้อื่นเพื่อที่จะเอาชนะเขาพอทำร้ายแล้วก็มานั่งร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเดิมมาเครียดากับการที่จะต้องไปรับผลวิบาสที่จะตามมาต่อไปก็ทั้งรู้จักให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมเรียกว่าให้แผ่เมตตานี่คือวิธีการแก้อุปสรรคต่าง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 ถ้าง่วงนอนชอบสับ ป, ประโลกท่านก็จะไปนั่งที่หน้าผาหน้าเหวถ้ามันสับ ป, ประโลกก็หวัวทิ่มลงเหวไปเลยถ้าอย่างนั้นรับรองได้ว่าจะไม่มีวันสับ ป, ประโลกไม่มีวันง่วงนี่คือวิธีการแก้อุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในการภาวนาในการปฏิบัติธรรมถ้าเป็นเรื่องอื่นก็ต้องวิเคราะห์ดูเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องพี่เรื่องน้องก็ต้องวิจิณาว่าเป็นตายรับไปให้หมดะ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 พอหลังจากที่อดอาหารนะครับถือสินแปดบ้างก็อาอาการนี้ก็จะหายไปแต่อาการใหม่เกิดขึ้นก็คืนนอนอนไม่หลับพอะท้องมันร้องครับอาจารย์อันนี้เป็นปกติหรือเปล่าครับถ้าฟุ้งสร้างก็ต้องใช้สติตเจริญสติอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงอาหารคิดถึงอาหารแล้วมันก็จะหิวได้หรือถ้าจะคิดถึงอาหารก็ให้คิดถึงอาหารที่ไม่น่าดูอาหารที่ขณะอยู่ในปากหรืออยู่ในทอ้องอาเจียนออกมา หรือขับถ่ายออกมาถ้าคิดถึงอาหารเหล่านั้นมันก็จะทําให้ไม่หิวแล้วมันก็จะสงบได้หรือให้เราบริกรรมพุทธโธพุทธโธอย่างต่อเ น, นื่องอย่าปล่อยให้ใจคิดเลือเปื่อยถ้าคิดแล้วมันก็จะนอนไม่หลับสาธุครับอาจารย์ต่อไปเป็นคําถามจากทางบ้านนะคะคําถามแรกจากคุณวาสนาดิฉันเริ่มสนใจธรรมะ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 เรารู้ว่าถ้าเราไม่ควบคุมรถยนต์ให้อยู่ในท้องถนนมันก็จะต้องอวิ่งออกนอกรู่นอกทางแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดความเสียหายขึ้นมาฉันใดเราก็ต้องคิดว่าถ้าเราไม่ดึงใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธใจเราก็จะออกไปทางทางโลภโกรธหลงทางความอยากต่างๆแล้วก็จะทำให้จิตใจของเราวุ่นวายามีแต่ความทุกข์ไม่มีความสงบไม่มีความสุข เ, เราต้องคานึงถึงผลที่จะเกิด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 สมาธิที่ดีนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่ควรจะมีก่อนที่จะเข้าไปสู่การเจริญปัญญาสมาธิดีก็ต้องมีสติก่อนถ้ามีสติแล้วมันก็จะเข้าไปสู่อัปปนาไปสู่การรวมของจิตเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้มีอุบเบกขามีความสุขมีความว่างไม่มีอะไรถ้ามีอะไรนี่ยังเสือว่ายังเข้าไปไม่ถึงถ้ามีภาพมีนิมิตมี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 ถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันก็ไปเป็นพรหมไม่ได้การจะเป็นพรหมนี้ต้องแยกกันอยู่ต้องถือศีลแปดต้องอสือศีลพรหมจันทร์แต่ถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันแล้วตายไปก็ไปสวรรค์ก็ต้องร่วมทาบุญร่วมกันรักษาศีลห้าร่วมกันให้เสมอกันต้องซื่อสัตย์ต่อกันไม่ประพฤติผิดประเวณีรักรักรักกันผัวเดียวเมียเดียวอยามอย่าไปรักคนอื่น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 ความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายอยู่จิตวิมุตติก็คือจิตที่หลุดพ้นจากการาติดอยู่กับความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกเล่นกายนี่เองข้อที่สดิฉันเห็นธรรมะมีให้เรียนรู้มากมายทั้งพระอภิธรรมวิถีจิตกายะคตาสติมรนานุสติ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 ทำทานให้ได้ทุกวันก่อนรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนแล้วก็มารักษาศีลแปดรักษาศีลแปดก็ต้องรู้ว่าศีลแปดมีอะไรบ้างก็ศึกษาไปเอาทีละขั้นนขั้นวิปัสสนาขั้นอะไรวิมุตต์มรรคผลนิพพานนั้นยังไม่ต้องไปศึกษารายละเอียดมากนะักให้รู้คร่าวๆก็พอถ้าอยากจะรู้ว่าจุดสูงสุดเป็นอะไรแล้วค่อยแต่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 ฉันขอให้เราอยู่ที่ขั้นของเราศึกษาที่ขั้นของเราปฏิบัติที่ขั้นของเราไปก่อนแล้วมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเองตามลำดับต่อไปคำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามมีลูกชายอายุแปดขวบซนมากอยากให้เข้าวัดควรทำอย่างไรคะก็ต้องตัดความอยากของแม่ไปก่อนต้องดูความอยากของลูกว่าเขาอยากอะไร ถ้าอยากให้ลูกเข้าวัดแต่เขาไม่ยอมเข้ามันก็เข้าไม่ได้นนอกจากว่าเราถ้าอยากให้เขาพาเข้าวัดเราก็พาเขาเข้าวัดถ้าเขายังต้องไปกับเราอยู่เขาก็จะไปกับเราอยู่แต่ถ้าต่อไปเวลาเขาโตแล้วเราเข้าวัดถ้าเขาไม่อยากเข้าวัดเขาก็ไม่เข้าอยู่ดีดังนั้นอย่าไปอยากให้เขาเข้าวัดเพราะความอยากจะทาให้เราทุกข์ไปเปล่าๆแต่ถามว่าอยากเข้าวัดดีหรือเปล่าดี เตียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราสามารถทำให้เขาเข้าวัดได้หรือเปล่าเขาอยากจะเข้าวัดหรือเปล่าถ้าเราไม่สามารถแล้วเขาไม่อยากเข้าอยากไปก็จะทุกไปเปล่าๆคาถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามหากนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจจนกระทั่งลมหายใจหายไปเหลือแต่รู้สึกรู้กับความสว่างโล่ ง, ลง ไม่ทราบว่าจะให้กาหนดอะไรต่อและก็กาหนดตัวรู้ไปให้อยู่กับตัวรู้ไปอยู่กับผู้รู้ไปแล ะ, ะและจะพิจารณาอะไรให้รู้สึกว่าจิตจิตใจไม่ใช่ตัวตนไม่ต้องพิจารณาให้รู้เฉยๆเวล า, วลาที่อยู่ในสมาธิไม่ใช่เวลาที่จะรู้อะไรทั้งนั้นให้รู้เฉยๆให้อยู่นิ่งๆให้อยู่ในความสงบให้มี อุเบกขาเวลาจะพิจารณานี้ต้องรอออกมาจากสมาธิก่อนแล้วค่อยพิจารณาพิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ต้องไปพิจารณาจิตจิตไม่มีปัญหาที่มีปัญหาที่อยู่ที่อยู่ที่ร่างกายพิจารณาร่างกายว่ามันไม่ใช่ตัวเราเพื่อเราจะได้ปล่อยมันจิตนี้เราไม่ต้องไปพิจารณาเพราะมันอยู่กับเราตลอดเราจะไปพิจารณาง่ายไงล้วก็ปล่อยมันไม่ได้อยู่ดี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 เหมือนกันเป็นภาษาที่เราทดแทนใช้ทดแทนกันจิตกับใจแต่บางทีเขาก็ยากว่าจิตเป็นผู้คิดใจเป็นผู้รู้แต่บางทีก็สลับกันได้ใจผู้ใจเป็นผู้คิดก็ได้จิตเป็นผู้รู้ก็ได้นันมันเป็นตัวเดียวกันแต่มันมีสองหน้าที่ในในใจนี้ใจใจมีทั้งผู้รู้มีทั้งผู้คิดผู้คิดนี่เรียกเป็นอาการของใจผู้รู้นี่เป็นตัวใจ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 ต่อไปในอนาคตเขาอาจจะต้องถูกตัดสินก็จะถูกผู้อื่นเขาตัดสินลาเองไปอีกอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้คำถามต่อไปจากคุณอย่าหลอกตัวเองนะต้องเป็นทุกคนไหมครับเวลาที่พิจารณานามรทำผ่านแล้วจิตจะสว่างสวยตลอดเวลาผมรู้ว่าจิตตัวเดียวที่ไปหลงกล้าก็ว่าเรากล้ากลัวก็ว่าเรากลัว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 คือมันจะสว่างสวายหรือไม่นี้มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำคัญอยู่ที่ว่ามันทุกหรือไม่ทุกให้ดูที่ตรงนั้นมากกว่าถ้ามันไม่ทุกก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ามันมีทุกก็ต้องหาสาเหตุของความทุกขและแล ะ, ละเหตุของความทุกนั้นได้มันก็จะสงบมันก็จะไม่ทุกส่วนจะสว่างสวยนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องของจิตนั่นแหละ เราอาจจะไม่ถึงขั้นของท่านก็ได้เราอาจจะอยู่ในขั้นที่เรียกว่าอารหันตนกวีดก็ได้คือเราคิดไปเองว่าเราอยู่ถึงขั้นนั้นแล้วถ้าทําทำไ ม, ไม่สว่างก็เพราะว่า ม, มันยังไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่คิดว่าถึงเท่านั้นเองควาว่าคิดว่าถึงกับคำ ว, ว่าถึงนี่มันไม่เหมือนกันดังนั้นยังไม่ต้องไปกังวลการปฏิบัตินี้เป้าหมายที่แท้จริงก็เพื่อการละความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจ นั้นถ้าลบความทุกข์ได้ถึงแม้มันจะไม่สว่างมันจะมือก็ดีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้มันอยากทุกข์ก็แล้วกันคำถามต่อไปจากคุณเก๋ดิฉันชอบนั่งสมาธินานๆแต่แม่ไม่ชอบให้นั่งเขาบอกว่าสมาธิมาปัญญาเกิดแล้วสติก็จะเตะเลตเตะเลยไปเลยเขากลัวดิฉันสติแตกกรณีนี้ดิฉันจะบาปไหมคะที่ทาให้แม่ไม่สบายใจ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 ไม่บาปหรอกเพราะว่าแม่มีมิจฉาทิฐิมีความเข้าใจผิดเพราะว่าการไปนั่งสมาธิการไปปฏิบัติ ธ, ธรรมนี้เป็นการสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใ จ, จแม่ควรจะอนุโมทนาควรจะยินดีถ้าเมื่อแม่ไม่อนุโมทนาไม่ยินดีแล้วก็โกหกเพื่อที่แกจะได้ไม่ไม่ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปตามความเห็นที่ผิดนั้นไปงั้นการโกหกเหมนนี้ท่านเรียกว่ากุศโลบาย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 พระอาจารย์พูดเสมอว่าจิตว่างพอจะทราบแล้วครับว่าว่างเป็นอย่างไรเมื่อก่อนรักษาศีลห้าทำสมาีิจะรู้สึกอีกแบบครับกราบพระอาจารย์ชีนน้แนะครับถ้าจะเป็นเรื่องจิตว่างอะค่ะก็พยายามพุทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดถ้าตามได้ยังพุทโธได้อยู่ก็พุทโธไปไปจนกว่าจิตมันจะหยุดมันจะว่างแล้วพุทโธก็จะหายไปเอง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 แต่ถ้าเป็นใจของพวกเรานี้พอรู้ว่ามีคนจะมาตามฆ่าเราเทนี้เราก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วเราโดนสองต่อบางทีร่างกายยังไม่ทันโดนใจเราโดนไปก่อนแล้วพอรู้ว่ามีคนจะมาฆ่าเรานี้เราก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอกขวัญสันแขวนไปแล้วแต่ใจของพระอรหารนี้ท่านเฉยๆท่านไม่เดือดร้อนท่านไม่เป็นกระต่ายตื่นตูมเราก็ให้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็